ชีพของเตียงเนอย่างไรไม่พอใจไม่พอใจไม่ยอมอัดทันยังเกาะกวนยังเดือดทะเลาะมันก็ไม่พุ่งเดือดชิดดงในั้นชิดดงใหญ่นี้ทำจิตจะเนที่เป็นจตาทำางเปลืงใหญ่เนื้อให่หนองชิดดึงใหญ่ชิดดึใหญ่ มีบางฟัเชื่อบางเรื่มีางเรือยในท้องก็หนักเองเมื่อตอนนี้กินอะไรนอมอะไรไปจักาไปจัใจก็บืองห้องแต่ในที่าบองห้าเสอสร้หยดเป็นอฆาเป็นเลนสางประสุนปฏิบัติุดในสมายหยุดใจหยุให้เก่า ดูเหมือนดวงท้องฝาเสมอแต่รีบเป็นข่าวซะละอย่างดงของตัวเองผิ่เฉียบผิวเสียเลยเป็นใจในอาบน้ำพังไม่ใครโดนเลยีไม่ติดใจนนอนนด่างน้นจิตใจมันจึงใส่หมอเรียกร้องมีความสงบมันสบายใช่หัวใจมันสบายทั้กายมันจะสบายมันมีโรคภัยไข้หนาอะไรนะเกี่วข้อง มือมก็โยมาเปนฝุ่ให้หัวเงาจะยนขนาดไหนมือก็มายนให้ใจมือเปนใจท้องกี่หมวยังหาหะหายเผาใจทังตัวลาทัศินาคทรทัศน์คาโมหิลาใจ่าาาาส า, า, า, ารักความกำลังยิงดีเพ่เิญไม่ลวตาารมต่งไป เ็กใช้อิจฉาคนอื่นแบบอื well ่นทั้งมือยหลายใ้ชิดชือว่าเป็นเขายุบเขาีขึ้นอย่างเงี้ยหรอไปสามกองมันเผาสนใจของคนยังงนุ่นุ่มแต่เพืแบตั้งแตั้าอยู่มันกไปจ้างสอนมัก็ไปจ้างสอนเลยหมด อย่างตองจะทำบันเทิงคือเอาตองจะเคยเรนะเรียมาสอนไปอย่าพวกเราท่านเราป็นตงนั่นไม่อาจไม่ทำเราเป็นคนที่ที่ทางตองอย่างที่สอนจนเกิดความปดร้างเกิดความมัวเมานะฮะเองเอวใจตองหน้าไปพิบัติม่รู้หลือว่า่งใส่ไปไหนได้ทุกคนจะตองยุ่งตองหวน ในอ่านในทำอยู่ในฝนไปในเรื่องโลกอยู่หนูมีทำงานในวดัดในวา ừ, ทาี่ทอยู่จึงไปยังเมื่อไปคึกขโมยขโมยทางเสือทางเสียถงโลกเป็นคนดีคนดีดีกว่าอาจวัทำไปไปแบบนี้เป็นไป เชื่อใจเสี ย, ย, ใ, สยใจเรัตน์เช่ใจถือปฏิบัติรร่ตามมาาางรารยายาวางัาจิตไปเเกลืแล้วแล้วรกใคนอื่นที่จะมารักษาให้เอเอเจะเปน็นรักษาท้องใจว่้ทหารขาดสติมีิตุอะไรอยู่เหยื่อกับอะไร น, ะ น, น, นั่ก็ไม่ขราบแตอนนเป็นอาจเป็นธรรมหรืรเปล เป็นขามดีไม่เป็นของชั่วแล้วต้อขาดสติขาดกัญญาหาธรรมะในตัวแล้วมันไม่ทบแต่วันดูไม่ชั่วมันแบบคิดอะไรมันคิดไปตามเรื่องของเรื่องโดเอาของใสแต่วันไปชั่วไปเสียหวังเรามัเคยตัวจนเป็นหมเป็นเหี้ยมันทนยาก เรจะทำได้ไม่เลยเนี่ยหยุดคิดขาจเราถ้เราทำยังง้นไม่เคยสร้างหรอ้างเรื่องสายไม่ริงเพาะว่าสายสายเนี่ยยุงมีสติและสายมีปัญญาแลี่ยสายมันก็ไปหยอกมันมีฝังมีสายใช่ไหเดี๋ยวว่าวนวไม่เผาเอาเผาเอาหยุดสายคื่ได้ความสุขมันสบายให้ทนัน ยกับยเาด่าเารนันยใจให้ใช่ใจเราตัวเราคิดเราฟังหรอกเดี๋ยวย่นเาแล้วทำแทนต่างๆบุ้ตังลาบตังมันเป็นไปทางไหนมันเป็นไปทางนมเป็นไปในทางเสี เหางงานอนใสอนเหลนววันเข็ใจเป็นตัวสวจจใจเหใจจิตใจต้อตตามอเภอแล้วมันดุมดด ม, าา ม, ม, มดัดีลยเนี่พระพุทธเจ้ามาสอนโลกตัทั่วดาบุคคลทวดาจะไปพระิพัทั้งหมดเพราะคนนดีฝัดคนดีม่คิดได้คิดได้ข้าลวลาะเคลนได้เมโลได้ ทางเฉีวทางเสียได้โดยตรงและสร้อะไรเหมือนไปกับที่ต่าไม่ต้องทำหลังน้ำไปมันจะไหลไปเองน้ำมันไหลลงที่ต่ำเสนอไปจุดจังทีส่งเราท่านมันไหลลงที่ต่ำทำให้เยือกไกับน้ำที่ต่ำนั้นได้ควนใดญลไดก่อสะสมไว้สูงของสกปก ก็อะไรอะไรจะไหลมันจะยที่ต่ำเท่านั้นยิเวลาอึ้่าลลไปสู่ที่ต่ำแล้วไหลลงไปสู่ที่สูงชิดดูต่อเสร็จยดูตั้ติดกับดินหรือถูเคลียสอกเคลีสเข่าสบายขึ้เลยมือยอดเดือดสงน้ำอาดสด้อสาดเหน่อยเาะที คนเาไมก็ไดเหยียบรถไม่ไ <bis> ด้คนลราอาไม่ก็ได้คตัคนเรามาก็ว่าาแล้วใสสอจริงนที่สะอาดใสสูก็่าเป็นใจท่สอาใจจะสูอได้ก็าพระอาศัยปารสาธิตปฏิบัติการฝึกหัดัวนตัว เหมือนกันกับต้นไม้ไม่ใช่มันจะใหญ่ใหญ่โตได้ก็ต้องอาศัยให้น้ำควรดินให้ดเลยอะไรอย่างนั้นมันก็โตโตขึ้นได้ถ้าเาเอาใจใสดูแลรักษาดูเวอรบ่อยผ่าหน้ำผ่านดินตัดอะไรคือเป็นคิดเป็นไพลแล้วก็อาศัยตัดกินมาเกล้ขกดไหลดาหนึ่งเต็มไม่วรื่อก่ เมื่อ้วลาคือจะเติบโตหนักงานขึ้นอย่างใดปลูกเอาไว้สัง อ, อ้าไว้ดูเวลารักษาแล้วจะอย่งเท่าไรจะเป็นตังอย่างนี้ไดย็นใหญ่มันก็่ายไปทีที่เติบโตก็ช้าเลยหรืปจิดใจถ้าจะรับผ่ดกับทํานเดีวยวกันใช่มหม ลักษณะอาวัจยใจทั้งตัวด้วยิด้วยปัญญาต่างๆภาวนาละทิเดี๋ยวเหมือนอย่างนั้นเหตุหลุดเ้ามาจชื่อชัวตต่างๆหักห้าเอาไว้เหตุชีิตดวงตาคุณชีวิตก็ท้าบเรามีสติเราจิตจิตผิดจิตชื่ว หากแหงเอาเราคิดเหตุเป <cca ces ingredients> ็นหรุ่นเกี่ยวกับเรื่องเชื่อเรือเชื่อต่างต่างเรต้องพูดถึงการทำการพูดคำนวณพูดถึงการคิดโดยการคิดเป็นของใจสู่นทารยละเอียดถ้าหากคิดเราคิดเปนหยุ่นเกี่ยวกับเรื่องเชื่อละการทำการพูดนี้จะไม่เกิดขึ้นในเรื่องเชื่อ เรื่องเสียต่างๆเพราะคือเราเริ่มออกมาจากจิบจิตเทก่อนจิตเป็นหัวเราจึงพยายัมรักษาจิตของตัวหรยังเอาสติเอาปัญญาดูลารักษาธนรมะส่วนใดจิตจะเจ่มใสชัดเจความสงสยังสยจิตคเข้าใจ เมื่อจุตสงบนกระทบทางถง จ, จะเข้ักพักอกให้จิตจังสะอาดนะถึงจะชำรพักฟอกจิตใจแล้วแล้วเพต่อา ง, งสอรเอาไว้ย่นงนี้นงงนนนขว้าง้บกข้าวอ่าได้วมันมาตรงหน้าใจของเราใจมันจีนใจหมอนุดมืออยู่ตลอดมะถ้าหากหาทางเข้า เอาทำมาฟังสอบจิตใจกะสะอาดจิตใจจะสงขึ้นอย่างจิตใจสูงขึ้นมันก็มาเหวี่ยงกันเหมือนกันกับคนอยู่แบบไหนหรือภูเขามาเห็น่ยงกันกพืคิดคิดคิดาสูกว่าวยงกันอะไรเดินนะคิดไ้ทางอะไรก็ทราบได้แตเราอยู่ในจิตสูงสิ่ที่เป็นทยจลาลกบ จะต่อสู้กันนี้ทางที่จะไหลใช่แล้วไหมถ้าเราอยู่ในที่ต่ำอยู่ในหูเลยบ่อมันาีทางที่จะมอเห็นถึงันจะอยู่รอบตากบ่อเป็นเออทําทันอ่าบ่ลึกแล้วก็บ้านไหนเห็นอะไรกันเขาจะทำร้ายอบอกก็ลกหน่อยจะขอะไรลงไปถึงระเบิดลงไปในยิงปืนลงไปด้วย จิตใจเพ่งใส่หนนี้ที่หลบที่หลีหรือจิตเจตา้งกับทางเนื้เยื่กันที่เหลือไปนี่ฮะแล้วนที่คือตังลุมลุ้นไปที่ตั้เรื่อยไปใจจหนูงานฝรั่งใส่ใจจู้หนูสุขหนสบายได้เพราะมานมอเห็นอะันเพราะมันดูใที่ตังที่เลบกต่นี้เราจู้เฮยยามันโยงจิตใจที่เราให้สูงขึ้นเหลือข่ารัดตะกี้ดับ ติกดลมดใจท่อตัวด้วยสติด้วยปัญญาด้วยเต็มใหญ่นักเดือดที่อยู่ในฝากสนาเลยได้ก่อข้อี่เดืดปัญหาโดยเฉพางอื่นเอาบขันรูหนักเดือดถากจปฏิบัติอยู่ในอดในพรรมแล้วไม่ต้องคิดว่าจะอดตาจะดตาหรือใครม เป็นไปไมได้เพร า, ท hm. าะทำะคุ้มครองครักษาทำสุเบติธิทำธโมหิเลระคติธรรมจารีทำรักษาสุเบติธิทำเห็นตัไปเลยทีนชื่วทหารเปรติธิทปฏิบัติท้วที่ชั่วคเสียตังสซึ่งโลก่วไปื่อไปเออในตากนาเนีเราจะไม่เป็นไปทนาเนั้นเพราะทำคุ้นกรองอวะ แัญญาทางช่อกว่าจะติปัญญาได้สาตัวหน่คิดจะไปทาไปผูกไมทางคุดทำได้ไหมนมันก็เป็นไปเลยได น, ใ น, นถ้าหนูเฮือกเปะป า, บาบอาปากตกือบากอยู่แล้วคุ่ควงละอ้เหี ต, ห ย, ย, ตห ย, ยใเหี้ยาใจใจไปทไปผูกไปคิดโดยทางชั่วคนผูกไปเขากะเรียนไตัตถานั่นเข่าควง ตางๆนะนะซึ่งใผิด้วยในนะให้ในเบืากจะอดอาบยากจนถ้าะพิจปฏิบัติตามอัตธรรมเอาไว้เพาะทกลุ่ความรักษาผูอประเัตธรรมหรือการประบัติธรรมอริสงฆ์อยมพันตาไตรจิตตปงนาตัปฏิบัติตามอัตธรรมถื่าพ้ารณาสอนนั้น ถึงคนอื่ น, น, เ, นเป็นเรื่องใส่ใจเป็นใจแต่เราก็ทบำบาเพ็ญในทางคือถึกต้้งเราก็ตาแหน่งตัวของเราคิดว่าอันนั้นต่อไอันนี้ต่เลยทาเลื่อนแต่เป็นสิงที่ดีเลื่อนแต่ถึกต้องตามอาตมาธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเราเองก็ยนินไจสบายใจโทษทกข์จะได้กะดรัก ไม่มีเพราะกาเไม่ได้ทำนามาจย์ไม่ด้จิตจิตไม่ดจิตถึง 10, จต 8, ิตยังมีคนไปจัดเรื่องปัญหาจิ 10, ใตใจจะเ็นสบายเพราะทำสุมความรักษาไม่ให้ดเดืดอดร้อนรุนแรงหรือเชื่อการรักษาการรากจาใจเท่งตัวเดือดอัเดือดทำถึพจะไปจ่ายสอนพอจิตมันสงนบได้ ใจมั น, นะสะดวกส บ, บาในเวนราเกี่ยวข้องกับเรื่องทั้งโลกเราก็มีทางสิดจัตที่จะที่ทจนะนาสันวะอาสวะหรืออเนกใสภายในใจของเราให้ตกให้ลเหลุดไปไดทนะทปท้ที่จานาย่เหลดปัญหาคือเคยกาะเคยกัวทางสิตใจเคยแก้ไข ใจใจยอมจำนนนามันเป็นจริงอย่างไรใจจะน่ะเด็กจะยิ่งเกี่ยวอีกทางศาสนาทำทีว่าวิปัสสนาความมีธรรมะคือความสงบอยู่แล้วโดยการสาธุปฏิบัติจิตใจน่ะเด็กสุ่มสุ่มดินเกี่ยวเรื่องทั้งโลกก็มาเจริญปัญญาพุทธิจารย์มาหาทางแก้ไขจิตใจคือท้องจิตต่าง ราคาความตระหนักยืนดูเฉื่อยเชินเลวุ่นเสียงดินลบทัมงผัสต่างๆนั้นเราต้องมาพใจแล้วหาทางสนักใจเท่าตัวใจคือลืนเหลวยนเกี่ยดังนั้นมันสวยมันงามมันห่าเฉื่อยเชิงยิงหมล้ยเสียงคือลายนเกี่ยวสุดข้าว สัญมัน่้มแบบซายบเบงานั้นมแยยจะออกตามสภาพามเป็นจของมันลอหังออกไปหต่เน้ในทรงอ่างไรยนเอาเือเลือแต่เอ็กระดูกาเดินมาหาเราอยู่ในจิตเืหาดอยู่ คนที่เลื้อยกระดูกกเ้นเอ็นถนั้นเดินเข้ามาหาเราจะตกตะลึงไหมเวเราินดีชอบใจว่ามันเืองงานอูเห็นหมดออกไปเลื้อยกระดูกเถอนเข้ามาตั้งไรนะวางไรแต่เราดูเป็นกรรมฐานสอนใจแล้วก็เห็นเห็นมันเยนเหน หน่นมันมีอะไรขีนหากันหนักด่อนใจขนาดยินดีเดือดใสคนที่ไราหลงไหลเดีวนี้นั้นสภาพความจริงที่มันก็เป็นแบงนั้นแล้วมีอะไรที่หน้าหลไหลยิ้มดีย้มหลังหัวหึ่นก็เดืออยู่นั่นก็ยินมหียินมเหมือนอะไรนั่นเหมือนในหน้าออกทางแก้มขี้โม แล้วองามออกทางตากสระเด็ดน้ำลายตากล่นข้ามันเป็น่งเดิมบ้างมนื้อเื่อนปากนู้นได้เพามนมเห็นอแต่เมื่อมันออกมาแล้วพ่ออกมาตกออกมาจากจมจากตากของเราจะเอาเข้าไปอุดดงไหทํางในมันจะสำคัญ่าไรว่าหยิ่อย่า้า่าหยือางงานขันหยื่งภายลยใส่น ทุ่งเรอมันเป็นอย่างไรไม่ต้องพูดควมสะอาดของมันยังจะถือของเราดอวยจานของเราคือใสอาหารไม่ดีล้างยปวันสอวันแถวนั้นเวลาทานแล้วถานแล้วทิ้งอะไรมันเป็นอย่างไรสกปรกมทอดใช่ของเราเน่ันกี่ปีแล้วเกิดอะไรสาสางอะไร มันจะตกตะกบแค่ไหนล้วกอบค๊าตพิญญาได้หาพิญญาจนทําพิญญ า, าไปอย่างนันเป็นเกิดราคาปัญหาไนหะมนันไม่เกิดหาพิญญาไปในทางทํามันเป็นเหมืองจําละพิญญาหลอกเจ้าของ เ, เ, เหื่อมหลงอัดทํามันเป็นเกิดราคาปัญหาสิแต่พยวญาหาคายแจกไข่ทัไล่ หยุดใจสิหยุดข่องเวลาท่าไป่หาที่เจ อ, องานอยากความกินขึ้นมันอาหารสิวัลทานลงไปห่ะมั น, อ, าาม น, มนอวัยวรนั้นนั่นดูในปากตายไม่เห็นเขี่ยเข้าไปกับมูลันกับน้ำลายทายออกมาเป็นอย่างไรน้นตกก็คือกับข้าอาหารคือคือาาลำไไม่ก็เป็าานหางยื่นไปเขี่ยกันเข้าไปแล้ว มันตกออกมาเวลากินก็ว่างข้าเวลาออกก็ว่าขี้มันอันเดียวกันมันนามันหนืดมันาดได้พาพยานาได้ทางสิ่งของซะละจิตใจขงบสุขแต่ทำไมมันไม่มีปัญญาหาทางซะะทำไมมันกินไดเกี่ยวข่องกับเรื่องนอกานที่ถือมาแบบนี้ปฏิบัติรรนั่นเลแต่ไปคิดไปเป็นไปเหไปเกี่ยวกับเรื่องลอก อยามันสวยอนี้รอย่างนี้แต่กันอยกินดีนะแต่แบบหคิดอยากเป็นคนดนี้คนเห็นอาเนธรรมมันเป็นอย่างนั้นแต่คนเห็นอาเห็นธรรมว่าไม่มีอะไรที่น่าสงสัยหนุกอันนี้มาเกิดปรงหัรสวายอยู่ตลอดเวลา ใ้มาลกสเิงส่วมเล่าอย่างไรเขาไม่กอยอย่างนั้นนั่นมีอะไรที่จะหน้าเพื่สกันคนทมีวิตอยู่มันจะมีชื่อตมันจะมีดีอะไรมันเลยแต่ข้างหน้าข้เงหลังเสือผาสือสะอาดไหมมันไม่หวากไม่กรยังไม่ฟักไมซอกไม่กลิ่นไ่อาน ย่งไท้าเลยขอาไปทึ่งใส่ทึ่งคอมันก็ยิงไปกันใหญ่ความโตกับะตกทางที่ใจหนาขนะดึยุดใจเงี่ยจำหลับยินดีเ่ยเพ่อเพื่อเาจากนั้นถ้าหากหยใจนั่เข้าใจเจียงตังว่าเรืองไหล่นั้นนั่นเป็นของปีิคุณในเ่องของเคยงอมอะไรเห็นเลยหยุดในใจกะจับไมหรู หลยตามสมนตของเขาหต่หญิงแต่ชายแากเสียแรงงานน้นทือคนไหนมีปติไนมีปัญญาไหนมธรรมะจิ่งเลื่คมเลยคนผู่มีสติปัญญาในธรรมะในตัวแล้วไม่เลื่อมเลยวลน์เป็นคนมีสติมีปัญญาในธรรมะในตัวหรือเป็นคนชื่อคนเสียขนาดนั้นเมี่อมันเชื่อมันเสียเราจะแกขาขอย่างไรใจของเรา ยิ่งแต่เรื่องเห็นตามเปจงให้กว่าทเจ้านะตามสภาวธรรมคือความจริงของมันอย่าเอาสมมตไม่หลอกจิตใจท้งตัวพยายที่แจ้นะแม่สอนใจในอย่างนั้นแม่ไม่เห็นชัเจนก็อย่าดูแต่ในแต่จุบังที่ถือว่ ดูกยงหนกัสาวถวนั้นดูแพดูเน่ยดูผยู่ด่ตายดยาเข้ามันเหล่นั้นเป็นเกิดมาจากคนหนุนคนสาวนี่แที่ทที่จริญยาเหน่เหนื่อหูตาอะไร่ทกเสือหมดไปเลยเลยหน้าดูเลยชกแวคนที่ไร่เ้ท่นี้อ ใกิีจ ะ, จะเป็นตัวอย่างนะใครปฏิเสธได้อย่างนั้นจะไป็นในตันอย่างนะปิเสธไม่ได้เพาะมันคือมันเป็นตัอย่าง น, น, นานะไหลชอบไัมยินดีไนะหมอย่นันเป็นอย่างนะเม่ ใ, ใครทำยินดีแเมือจะจิตมีปัญญาหรธรรมะมันเห็นมันเข้าใจต่อถืบ หากปฏบัติชารใจทั ried, okay. ز, ้งตัวึงจะเหียหนะปฏิบัติถ้าปล่อยาละเลยไปตาเรื่องของจีรเวรวะจะยนในวัดเลยวยนในป่าเลยโดนยื้อเลกแทงตาถนาดไหนนั่นก็จะเป็นไปเงี้ยหัใจมันหนีสตินีปัญญาถึงอยู่คนเดียวกับมพรกคพวเป็นถึงนหมุนเป็นแผนทิกเป็นหญิงเสียไปหมดไม่ทราบเลยผิดถูกมีเชื่อ เพราะขาธรรมะขาสติขาปัญญาถ้ามีธรรมะสอนใจแล้วนั่งสงบทุกคนเคยจีบคล้างคเทีเคนเมเยานั้นไม่อ่างนั้นก็เหนื่อยใหมให้จิตใจอาดให้จิตใจสงบถ้าไมนเคยเสกจงเลี้ยเกี่ยวนั่นแหละเคยสงบถ้ามีอุปนิมธรรมะม หากภาว้าห้ากั้นเอาไว้สิ่งที่เชื้อเชื้อต่างๆเสด็ขึ้นทางใจกายก็ยืนสงบวาจาจะยืนสงบใจก็สอนให้สงบมันสงบได้นั่นหมายว่ายิ่งใสคนทุกคนทำนั้นทุกได้ก็เลยมีครูมีอาจารย์มีพระพุทธเจ้ามีพระอรหันต์จะแข็งจิด ย่งเกี่ยวกัได้หมดอยู่ทันสึกทันรักษาทอ้งทางดยอุบายัญญาตำงานต่างๆไปเพื่อปฏิบัติเพาเรื่องงานอื่นในโลกนี้ใน่มีงานอะไรที่จะสำคัญยิ่งใดกว่าเรื่องการลทิลงานอื่นมีคนทำได้แทนเราก็ได้แต่เรื่ลทิลบุนี่เป็นเรื่องของเราเอง ่จะจะบำเพ็ญในวีไหเดกคนอื่นมาเชื่อหรือเม่ได้เพื่อจะแนะทางให้ถังนั้นหรืงานอื่นใครนิยมชมชอบทำกันแต่งานรัทธิเลั้นหายจ้าฉะนั้นคนที่ลัทธิเลกแต่างกันต่างแต่เชื่อปฏิบัติผู้คนเท่าไปร่ทเป็นเหลื่อมใสศรัทธา เขาเพื่อเขาทําะไรได้ในใรง่างๆยังง่ายๆใครทำได้ราเด็กเพื่อใหญ่ทาได้เท่านั้นล้วใครจกสกันงายๆทาได้ของยของอันหนัทได้สาเร็จจะสิ้นไปเขาเื่อสายสัทธาเราไม่ทาฐานาเป็นกาจริง อยู่เยี่ยงทำความมีตลอดเวลานะเขาจะมีศัทธาเชื่อแม่เขาจเรื่องสเป็นใสกลกาวว่าเพราะคนนั้นีูาำดีแม่กล่าวแง่ร้ายแง่าอยู่ใดมาแต่พิจารณาใจพิจาบณาตางอย่างไรจิตใจมันเป็นไปในทางละทอนหลืเป็นไปทางสะสมที่หนึ่งในตัวตาที่เจรณาตัวเอง เวลายี่สิบสี่เช้าโมงมันเกิดดูภายในยนี่แต่เป็นแต่คิดไป่ยินงต่เกี่ยงก็เรื่องนอนอกใจมันเจนเลยเกิดธรรมะขึ้ในสสใจมันเนจนเลยสงบใจมันเจนเเย็นพยายามที่จะนะพยายามสละโอกาสเวลามันมีพอขึ้นบทำได้คนนิดง่งอื่นทำส่งอื่นทำในสาาถานะทำได้ ทำไมมันใจมันยินดีทำ่มพิจารภายครไเพือแก้ไขความเชื่อทำในมันหกตัวมันไม่อยบกทำถอตัวเองมันไม่อามันทับมันทม่ถาใจไปตเรือ่านอยกใ้มันเห็นสิ่ว่าได้วเป็นอย่างไรแล้วใจท่านเราซื่อจรง ใจทั้งเอายุ่งเกี่ยใจทั้งเราเดือแล้วนติดข้องอยู่เพียผลที่เราต่อใจตามอำเภอใจในทั้งคานรักษาในบรรดบัญชาจิตใจทั้งตัวถ้าบรรดบัญชาเฮยวกับข like ้ามาที <adventures> ่แยนะเรื tar. ่องทำนะถึน <relations> ม <S arms inside> ันอยางมากยากยุ่งก็พยายามทำการผูกจิตยังลง เห็นอันนี quote, Lynn, hã, ้เห็นในการทำมันก็ยากเห็นบนทำอะไรเวลาทาอะไรตัวหนูมันเคยมันเห็นอันนเห็นแล้วมันจะดูดบินในการทำของตัวเหมือนกันแต่เช้ไมันเจนว่าหาดูตลอดเวล่ในเวลาที่จะไปจะสบายได้มันสบายมันสบายมันเงี้ยมันสะดวกถ้าเราเคยผ่าไป แต่กว่าเร้จะเคยไปต่้งฝึกอบรมไปเยอะกว่าทาไปเยอกคืออาจารย์ถึงมามาแมมาสอนพวกเราท่านเคยผ่านนะท่านเป็นอาจารยืต่อผ่านเป็นศิษนะไม่ชว่าเกิดมาเป็นอาจารเลยเพื่อใหญืบต่อผ่านเ็นเด็กนะการปปฏิบัติกว่าท่านเียยกัน มันจะใหญ่ัวได้มันจะเฉดีกวฉดมาได้ก็เพราะาอาศัายเราเอาใจใส่ตั้งใจปฏิบัติจิตใจเนียมันถืออัจถึงธรแล้วมันเย็นตาเห็นก่นอนเป็นที่เป็นไปหูใด้ฟังก่นมีอะไรที่จะเสียดแทงจิตใจทั้งตัวดีเลู่กแต่เราขว้างจิตกันนู่หาใจเลย จิตยุ่งเกี่ยวกับอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เจอมาให้ถึงหลักเกณฑ์เท่ามาทุกอย่างเขาเคยอยู่ตามเรื่องเขาเราเคยอยู่ตามเรื่องของเาอันี้ไม่ใหญ่นักอะไรเร่อกะฉบอะไรมันกระชับจิตใจไม่หมดทั้งใจจริงๆอหญ่นักไม่เลยเร่นบ้าบอเข้าตัวอยากไปยุ่งไปเกี่ยวไปเกี่ยวไป เช่เรื่องตาาเนี่นะสึ่งทีารู้ภาษาาษาอะไรแต่ทั้งกายไม่มีรู้อะไรนะคนตายเห็นไหมเอาไปสังไปเผาหรือไปสั่งในเผาเอาไปทิ้งทงกันไว้จะเป็นยิ้มจะตามเป็นชายจะตามจะงานจะหล่อขนาดไหนไม่ในที่จต่างกันไม่ในที่เดียวกันกันไม่ในที่เสียสมกันเรื่องทังาย ทั่วไปมันเป็นอย่างนั้นเหมือนกันกับภาพบินธรรมดาอยู่ที่ไหนก็อยู่ตามเรื่องเท่านั้นแต่จิตใจทื่มันเป็น่ลงอยงงนั้นมันเป็นคิษเป็นไทยท่านยิงให้แจ๋ไข่เดี๋ยวการที่จนอาธรรมะที่เจนอาสุภาสุภันที่เจนอาอมิจังอนัตตาทั้งหัวใจเยในเรื่อยคมที่นีธรรมะฐา น, นอยู่ในโลกยิงจะมีความสุข คนมี้มตตามะอย่าไปสันหาอยากจะมีความสุขเราเราเดือดเป็นธาเป็นเมลมาปฏิบัติโอกาสเวลามันมากมีโอกาสเวลาอยู่ทุกระยะที่จะไปคิดปฏิบัติรักษากาใจทั้งตัวถ้าหากอยู่คนเดียวที่เปี่ยวอย่างนี้ไมนมี้แ้าที่การงานที่จะเปคิดอ่านยิ่งเกี่ยวยังจะทิทงปฏิบัติตัวให สงบเลยได้ให้ปบาเลยได้ให้เย็นเลยได้อ่าไปเา็นาดอยู่กับเพืัวเนียไม่จะมีโอกาสเวลารักษาใจให้สงบให้สุดได้อย่างไรไมนก็ยึดใจกันเราหาเคตาเท้องของเพื่อยังไม่พอไม่จะองหาเคยตาเท้องของคนอื่นน่นจะได้มาจากที่ไหนก็คนคนเก่า้แหละที่มันคิดอย่างนั้นหน้าจะไปเอาความฝุก ขีนี e humans, vemos, ้ความสุขขีดนี้แต่เตียวของมันม่ได้หาความสุขเลยได้จะไปหาความสุขความสบายที่อื่นที่ไหนกับใครอีกแต่ผที่จะมาหาทางสอนใจทั้งตัววันนี้กำลังทาคนดีอะไรวันหน้าใครอยาจะมาทำให้ก็คนเก่าเราต้องเริ่มใจลืมจะทาน้ำพึ่จะไปเห็น จตกทวามหยิบค้านนัดง่ายสะดวกสบาทแทนสิเลปปัญหาแต่มันคับมันชาเพราะทำนในใจของเล่นพอคนเชื่อที่จะไปเยิบหยิบเอาได้แต่คนดูคนจริงแถวนั้นไม่เกิดก่อทำนองไม่เกิดในจิตในใจได้คนเชื่อคนเสียไม่มีทางที่จะเต็มไป เราต้องแข็งใจของเราต่างหน้าต่างตาจะทำบันเทนอย่าไปเห็นว่ามันยาแล้วในทรรมเมื่อในธรามมันเกิดผลอะไรให้ถึงไม้ยากลำบากขนาดไหนการเกิดตายเย็นว่าอยู่ในรัศดาแสงสวรางนั้นยิ่งยากยิ่งยิ่งกว่าจะบันเทนหยุดาจให้เห็นเหรอในอดในธรรมหรือมากกว่านั้นแค่ถ้าเราจะตายกี่พบกกีชา ล้าย so, ังตายนักที่จะเกิดจะตายอีกอยู่หรือชาตินี้กลางวันี่อำนาจ้าขนาดเลยทันทาหนักที่จะทำอาชาหกท้าแลเขาจะมาทำให้ถ้าเราไมนอาเงินเอาไปแล้วนั่นมีทางหยุดของกเลไม่หลอกยเลื่อไปเนมันอยี้ ในระเบียบสายไปที่อื่นเพก่อกนจริงต่างๆต่างๆก็ทามันเพลนไปที่อื่นก็อีนิดไม่หลอกเลยพะจี๋ขี้จีแหงจีพี่ีถังยังยมเช็บอไม่หลับยังเชื่อทำความมันอยู่หรือโอกาสเวลาถูกพจะพาวันนี้มมอะไรก็ยิงเกี่ยวผ่านผ่านในรับในว่า แต่งก็เดินจนคนเท่านะแต่หนาผี่ของเรารักษาจิุดอยู่ตลอดเพราจิยเราเกลี่ยหยุดของเราสบายสบายเท่าไรเท่าที่เหลืปัญหาในรบกวนเราจะเห็นมันตายไปทั้งทั้งผิในรักษาไม่แต่เร่งควรหรือล้าแต่รักษาเอาทําะไรก็เยียา รักษาใจไม่ได้รักษากายราชาั้นก็ไม่ได้แต่รักษาใจเป็นเรื่องสาคัญอย่างงานละที่หนึ่เป็นงานใดญงานสาคัญสหรัูปฏิบัติิบัติงานอื่นนั้นเป็นปีกยาเพได้ใจมันถือว่าเป็นสิ่งสาคัญเ่าการละที่หนึ่งถารที่หนึ่งไดทล และกยเลสเผ็ดครนั้นไปอยู่สถานที่ใดถึงจะได้มีการสารภาพกําลังได้มีที่หนึทรมนที่เสียแห่งกอดตามความเย็นความสบายอย่าไปถามหาว่าคนที่มีกิลตัญหาที่อยู่กสาราพกําลัเขาจะพบใจเห็นความสุขความสบายอย่างทันพระพเจ้าถึงเป็นกษัตริย์ออกปฏิบัต ดูเล่าาอหาทัทนอ่าาหอะไรก่ไไปที่อยู่ที่อาศัยกคนไหมนวม่ามันก็เลยหนมเหมือนพวกเราสมนกสูรทเปิดมมเป็นทุกอย่างนี่นี่นมีอะไร ฝึกอะไรสบายง่ายยังไงยิ่งมีเหลี่นมใส่ในการตรวจอีกหรือท่าก็ฟังตัวของทานเดิไปการปฏิบัติการ่งใจคุยอาจาย์ที่ท่านมีอาจเดททท่านท่นอย่างนั้มยได้หยิบไม่ไดกก่อนอันี้เป็นอันนี้เป็นสั่นน่ไเท่าไรก็หยิบใจออกไปจากอาจทำเพราะสิ่งเหล่านั้น ไม่ใช่เล่นแล้วที่หนึ่งเล่มที่น่ได้อัานี้ใจอันนั้นไม่หนีวันที่จะบาบังที่จะเป็นเพิเติมก่อทุกข์ก่อโทษให้แก่ตัวถ้าเราพเนจรที่นึ่อยู่สถานที่ใดใจสงบอยู่สถานที่ใดใจปราดาจทุกข์ทุกข์มันฝึกนันสบายอย่าพากัรทาอย่าพากันเล่น คึสิ่งเพิ่ใหญ่คือเขาเอาเงให้มาถวายเขาเห็นว่าพวกเราไปหน้าต่างตาตางน้วเ่เลกันมีสีมีธรรมพอถึงจะเราบุ้เราศลให้แกเขาเขาจึงให้ถ้าหากเาได้เชื่อเรียนสายอย่างนั้นคนไปขอไปซื้อเขาก็ยงแห่ขายบสิ่มาอย่างแต่เขาถลายแกไขแกเล่นได้เขาก็เห็นว่จะเป็น เดนูแกเขาเรก็ไมาเป็นเศษในเส่งแบบหลอกเขากินในแบบนี้ด้ละอายหนาแบบนี้ในแสนตัวอย่างนั้นนยายมมีสติมีปัญญาตามลักษาจิตใจอด้าให้นั้นส่ิจิตข้องในสิ่งที่ชั่วในมือแต่ทำเวลาทงานการคืนยืนดิหน่วยน้องานระวางใจของตัวอย่าไปดีอันอื่น อย่าลองจำละสายสอยู่ตลอดเวลารักษาเอาไว้ใจมันจะค่อยสงบใจมันจะค่อยใจเาความจิตของเป็เรคิดต่างๆเพราะสึกมันหักมันสัตว์ก็ยังหักได้ราเมืนลูกถึแม้เราจะศึกปฏิบัตหักไปที่งเนาไม่ได้มันจะมีอย่างมาจากที่ไหนถ้าหากตัใจจะรักษา ให้น่ใจในตัวอย่างนอยากจคิดว่าเราอาภัพอาบบาสมาในมีสติปัญญาแล้วทุจะรักษาตัวได้มีเราทำขึ้นในนีเราฝึกทนให้มีในมีป็นไม่บดนดูอยากจะให้มีไม่ทำอะไรจนมีขึ้นน <Lord strip> <ine> so ั่นจะมีมาจากขึ้นไหนทางงานที่เราอยู่เร้อาศัยเดยนี้ก็ไม่มันเกิดขึ้นเอง อาศัยครที ia, ่มีปัญญานัแม้แน้รรู้ทนเป็นกระจีชลให้ทักทายอาศัยเขายังเพมไก้นี่จิตใจเีสมาธิปัญญาวิชาอุปนก็อาศัยทำขึ้นโดยจะไปเกิดขึ้นเองถ้าเกิดขึ้นเองเป็นขึ้นเองอย่างนั้นก็ไม่มีใครกันที่มาสอน ทุกคนต้องควบใจจับยิ่งเดชปัญหาเท่าหน้ากันเราสงสอรตัวใครอย่างไีแล้านักเบื่อนักปฏิบัติจะปฏิบัติจิตใจเท่าตัวจะไปปฏิบัติที่ไหนปฏิบัติอะไรหรือไปสั่งเบืกสั่งเจดีย์สั่งวิหานยิ่งหลชปัญหามันตกเวออกไปมันมีที่ไหนถ้านพุทธเจะาเคยทำที่ไหน ถ้าไม่เคยทำลาวกโกมเคยทาทำแบบแต่นเรามันจะไร้จิตวิญญาณนอกจากไอสตเอาปัญญาที่นิพพยานะที่หัดขันไวให้เห็นตามเป็นจิงให้มันวิญญาปัญหามันจรงจะดจหลออกไปถ้าไราทงทนี้นิพพยานะ อย่างนี้นใ่นเลยท้ายให้ดูจะเพิ่มเติมีเนียร์เดือดไปเพิ่เอาหน้ามาเท่าไรมันก็ไม่พอเหมือนอาหารแต่ในเอาเขา้าปากมันจะมีหน้าเท่าไรมัวก็ไม่อิ่มให้ทำจเป็นรเออแต่ว่าอย่าโกนน้องขอ เ, านนเอขามาพี่เจนนะเห็คนเจ่บคนเจ็บคนตาเห็นคนเจ็โรคไขยไข้เจ็บต่างต่ล้นมาพี่เจนนะย่าจะจะเต้นใหญ่แล้ว ไม่จะเพิดพ่หหนไปที่ไหนในตัหาทางสังใจขงตัวใยพุทธการทำอยู่ในร่นะใน้นไม่รู้อะเลยนะทำกับพี่เจนนะจนนอาหอาหารได้ในั้นมันสออะไรก็เพราะปฏิปัญญาทำพใเจนนะในั้นมันเกิดมาหนึงนกวนี้คนเกิดมาเป็นเด็กมากก่าเป็นหนุ่มเป็นสาวรวยนะคนที่ดุก ย่าก่เท่า <m> ก <any> ah ็ล้มก่อตายได้ไห้ก็เหมือนกัน่างนี้ที่นชีวิตเป็นอยู่พิยนาเดีดูเขาก่อตาั้งนั้นเดียวกันกับเหลี่ยงไบได้าทีเป็นเดือดเป็นเหลี่ยงลงมาหาทาีพิยนาเห็นอะไรน้องเขาว่าพิยนทายเลยมันเป็นอักเป็นธรรมทางนั้ถ่าพิยนลเป็นถ้าพิยนาเลยเป็นจะแดกคำีถนที่สาจแตำมีหาของมาคลองหัวทน้ แต่จิตใจ น, นั้นไม่มีวันที่จะเป็นมักเป็นผลให้จงต่ยงใจที่นี่พิจารแาสัญญาตัวของตัวอย่าไปคิดว่าอาภาพอาวาัชนะจะไม่มีโอกาสเวลาเห็นธรรมะได้ดใใลแล้วเห็นกด้จนตัวบ้าหล่อเี้ยงวิสัยแต่เราทำาเจริญใจอย่าใหรเข หาใจละ่จะพักสมาถานเป็นผิระเทียปฏิบัติดีแค่แต่มาเหี่ยวายแล้วนี่จะคุย้ยตเพลนเม่มาเม่าต่อยตัง่อยเหยียบกอนสศึสาธรรมะหรือสถานที่ปัญญาอะไรม่ีทาที่จะใช้แต่ท่านที่จะตอบเขาได้เขาเหยียบไปเขาได้ไม่มอะ ในจิตในใจของเราเยอาย่างอดเบื่อทันถ้าเรามีแล้วจะยกปัญหานะทั้วโลกออมาเถอะอยากจหาของอดเบื่อทันไมีอะไรที่จังเชื่าาจอจากเขาไม่้จับเขาไม่ได้ไม่มีเพ้าเหตุดังพระเรารู้คนอื่นทิ่เขาเป็นอยู่ไม่ก็ทำเงินเยอะสั่งจิตผ่องจิตอยู่ในโลกในใจสจิตพระก็พืกปฏิบัตินะก็เขื่อนนะ ความิดของท้าใจเราบอกเขานมาอย่างไรก็ณีเราไปเรียนเร่อจากที่อื่นจากการทำเงินเพียงข้างเดวมาสอคนอื่ล้าตอบคนอีกนแต่ไปข่าตอนตลปัญหาหรือว่า่ทันทุกทีหนเื่ออะไรเลี่ยเขาทปฏิบัติแต่ปฏิบัติที่อาจที่ทำแล้วมันสุกมันสดาหนูอะไรที่อย่